เทศเมื่อคืนวันที่สองมีสายน์พศส5 5พนณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปันโนศาสนาคือแนวทางของชีวิตละเป็นแนวทางของจิต ดีจะดำเนินไปด้วยความปลอดภัยพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบความจริงทั้งทางโลกและทางธรรมจากพระไทย และนนำประกาศสอนสัตว์มาจกนกระทั่งปัจจุบันนี้ธรรมะคือความจริงที่ปฏิเสธกันไม่ได้เป็นของคนที่ดีงานมนี้ด้วยความสม่ำเสมอ น, นอกจากผู้ปฏิบัติจะเข้าถึงธรรมะคือความจริงนั้นอย่างแท้จริงหรือไม่ เป็นสำคัญเราทุกท่านที่บวชมาในประสัข์าสนาเพื่อต้องการัความจริงตรวจทำความรูลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอคนเราถ้าพบความจริงแล้วอยู่สบายถ้ายังไม่พบแม้อะไรอะไรจะสมบูรณ์คุณูุดก็ดตามต่ ยังไม่สมารยพอใจได้พบความจริงตามหลักธรรมซึ่งเป็นของจริงที่สอนไว้ทั้งนั้นดูที่ไหนก็สเสียดสมายแพรวะอิตใจไม่คุณมัวมัวสูนกับอารมณ์ซึ่งเป็นของปลอมๆเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เป็นแนวทางการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการฟรองชีพด้วยเกี่ยวกับทางจิตใจโดยเฉพาะด้วยผู้มีธรรมะภายในใจจึงเป็นผู้สม่ำเสมอปลอดภยัยเหมือนกับคนมีวัยวะไม่เป็นบาดเป็นแผล ไปไหนมาไหนก็ไปได้ยดวสะดวกสบายผิดกับบุคคลที่มีบาดมีแผลหรือฝ่าเท้าเป็นแผลไปที่ไหนต้องรมัดระวังไม่อย่างนั้นก็ถูกสิ่งต่างๆทิ่มเข้าไปให้รับความเจ็บปวดแส บ, บร้อนเป็นทุกข์อยู่เสมอความจริงอยู่กับทุกแห่งทุกคนอยู่กับทุกทุกคน ธรรมสอนลงที่สัตว์ที่บุคคลซึ่งเต็มไปได้วยความจริงลักใหญ่ท่านก็สอนไว้คือกุญแจสำหรับเปิดเขาถึงของจริงเวลาบวชท่านอุปชายท่านสอนเจสาโลมานะคะาธัรมตาตะโจนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย โลกสงสารติดอยู่ในที่นี้อันนี้เป็นง้งทัญแต่โจท่านแปลวันหนังเนี่ยหุ่มห่ออยู่สั้นหนังร่างกายที่ได้ชื่อว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัส์เป็นบุคคลก็เกี่ยวกับหนังหุ่มหอนี้เท่านั้นถ้าได้ปราศจากนี้เสียท่านรับ จะดูกันได้ไหมดูกันว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลจะมีความทฉลียาฉลาดดีน่าดูน่าชมไม่มีเนี่ยจัดโลกติดที่ถงนี้เพราะฉะนั้นธรรมะจริงอย่างลงที่ถงนี้มาตัดโจให้ที่จะนารอบห้องให้เห็นความจริงตามพระพุทธเจ้าสอนแล้วเราจะสาดวกสมายความว่าบุญคุณมาเกิดขึ้นจากใจ ควรตัวเองรับควนตัวเองทั้งวันทั้งคืนนอกจากนั้นก็มีรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเป็นเครื่องรับสัมผัสเข้ามาสัมผัสกันพอได้รับสัมผัสจากสิ่งนั้นความกรุงแก่งความสําคัญนั้นหมายที่จะให้เกิดความปัวพันก่อควนตัวเองก็ เ, เกิดขึ้นภายในใจรายปฏีตาลง เป็นมานอกจากปัจจุบันแล้วยังเป็นอารมณ์อดีตที่หุ่นต่างองค์ต่างพยายามปฏิบัติตามหลักที่ท่านสอนไว้ให้จริงจังทั้งหน่อยท่านทั้งหลายจะได้เห็นความจริงไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นเพราะคำว่าสันทิฏฐิโกโผู้ปฏิบัติจะพึืงเห็นเองนี้จะเห็นที่จิตเพราะธรรมชี่เขา ตรงนี้ที่เขาตรงไหนความจริงอยู่ตรงนั้นเห็นความจริงแล้วเขาคิดว่าเห็นธรรมื่อว่าเห็นตนไม่หลงตนลืมตนท่นานอากาลิโกจะหมายถึงอะไรสิ่งที่จะให้รู้ให้เห็นก็มีอยู่ไม่ว่าข้างนอกข้ังในจับเียน็นบนเวย็นกันไปไม่ขาดสูญจากโรกก็เรียกว่าอากาลิโกได้เช่นเดียวกัน สัมตะวันอุบัติขึ้นมาถึงบัดนี้คาว่าทุกสมุทัยมีอยู่หน้าที่ใดสับปนกันอยู่ที่นี่ในกายของเราเวทนาทั้งสามคือสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบกขาเวทนามีได้ทั้งทางกายและทางใจต่สนใจพิจารณาก็เห็นอันนี้ทานเรียวกับความจริงเหมือนกั น, นการปฏิบัต จนให้มีหลักมีเกณฑ์ทางด้านจิตใจนี่รู้สึกจะท้อนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะฉะนั้นความจริงจึงไม่ปรากฏแล้วขอเยนท่านทั้งหลายให้ทราบด้วยว่าเท่าที่ผมมาพาหมู่คณะอยู่ที่นี่และอบรมสั่งสอนแล้วอยากเข้าใจว่าโดยพาท่านทั้งหลายดําเนินด้วยความเด็กเดี่ยวหรือเคร่งครับนี่เรียกว่าหย่อนยานเต็มที่แล้ว แต่คนทั้งหลายชมเชยวัด ต, บตาบรรดาษนี้ว่าเคร่งคัดเด็ดเดี่ยวเพราะท่านเหล่านั้นไม่เคยเห็นปฏิบัติธรทาที่เราเคยดำเนินมาแต่ก่อนเมื่อเข้ามาอยู่กับหมู่คณะแล้วมีมากก็ต้องในลดหย่อนผ่อนผันกันลงโดยไม่ประกาศว่าได้ลดหย่อนหากมีความจําเป็นให้ลดหย่อนผ่อนผันกันที่เรียกว่าอนุโลมเป็นลํำดับลํำดับมีจำนวนมากเท่าไรก็ต้องอานุโลมเพราะเหตุใด เพราะผู้มาศึกษายังไม่เข้าอกเข้าใจวิธีปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกจำต้องได้อารมณ์ผ่อนผันพวกนั่นเข้ามาพวกนี้เข้ามาก็ต้องอารมณ์ไปเรื่อยๆนี่แหละเรื่องความอารมณ์โดยไม่ต้องประกาศกันเป็นด้วยหลักธรรมชาติความจาเป็นบีบบังคับให้ต้องอารมณ์บางท่านจะเข้าใจว่าเคร่งคัดมีไม่ได้เคร่งคัดถ้าหากว่าย้อนยานยิ่งกว่านี้ผมจะอยู่กับหมูเพื่อนไม่ได้อกแตกตาย เพราะไม่เคยปฏิบัติมาแบบนี้มีเรียนให้ท่านทัายทราบเขียวชัดๆในวันนี้ <c oughs> แล้วการปฏิบัติทำท่าปฏิบัติแบบจุ่ม 4, สี่จุ่มห้าลุ่มลุมดอนๆอแล้วทำที่ปรากฏก็จะเป็นลุ่มๆุมดอนดอนไม่มีอะไรเป็นความจริงที่เด่นชัดขึ้นภาน ใ, นใจให้เห็นเลยนอกจากปฏิบัติให้จริงจังเท่านั้นซึ่งเป็นหลักรับรองของศ า, าสนาคือศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนคนให้ทําจริง นักศาสนาอันแท้จริงแล้วนั้นหาที่ตาหนิไม่ได้การหลับนอนก็บอกเวลาเวลากําหนดให้พอเหมาะพอควรไม่ยิ่งไม่หย่อนนะท่านเรียกว่าอปปนากะปฏิปทานการปฏิบัติไม่ผิดคือสม่ําเสมอการนอนกําหนดให้สี่ชั่วโมงากลางวันอยากจะพักบ้างก็ได้วิธีหลับนอนก็สอนเวลาที่ตื่นก็สอน กลางวันก็สอนพักจำไว้กลางวันก็สอนสอนทุกแง่ทุกมุมการขบการฉันการไปการมาในบ้านนอกบ้านในวัดนอกวัดการคลองผ้าการนั่งจะ ต, ต้องปฏิบัติอย่างไงรล้วนแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อความดีงามสาหรับเพศของพวกเราสรุปแล้วก็คือเพื่อความเป็นคนดีค่ะที่ดี การปฏิบัติตัวให้เป็นพระที่ดีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตมากถ้าผู้สนใจจะทำตัวให้เป็นพระที่มีคุณค่าเราต้องเห็นข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าเป็นของมีคุณค่าทุกแง่ทุกมุมทุกขแขนงที่สอนไว้อย่าให้ผิดพลาดอย่าให้หลุดตีนหลุดมือไปได้โดยเข้าใจว่านั่นไม่สำคัญนี้ไม่สาคัญ ถ้าเราเห็นว่าทำเนี่นั่นไม่สำคัญแหนงนี้ไม่สำคัญเราก็คือคนไม่สำคัญคนหนึ่งนั่นแหละถ้าสิ่งใดพระพุทธเจ้าลงทรงสอนไว้แล้วด้วยสวรรคตธรรมเราต้องเห็นสิ่งนั้นเป็นสำคัญแล้วเราก็กลายเป็นคนสำคัญขึ้นมาเราคิดดูต้นไม้เมื่อได้รับการบำรุงดาต้นอยู่เสมอรักษาไม่ให้อะไรทำอันตรายแล้วถึงจะต้นเล็กๆก็ตา ก็ต้องเจริญเติบโ ต, โ ต, โตขึ้นทุกวันแตกกิ่งแตกแขนงกว้างขวางใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วออกดอกออกผลให้รับประโยชน์แก่ผู้บํารุงมีการปฏิบัติในแง่ธรรมวินัยแง่ต่างๆร่วนแร่ตั้งๆเป็นการบํารุงลําต้นคือจิตใจกายวาจาของพระให้เป็นท่าที่มีลําต้นอันสวยงามลาต้นภายในคือคือใจคิดคิดให้เหมาะให้สมกับอัดกับรำอย่าให้ขัดแย้งต่อหลักธรรมวินัยซึ่งเป็นเครื่อนของชำนตราสามกิเลสจะเป็น จะกลายเป็นเรื่องการสังสมเสียิดขึ้นมาจากความคิดขั้งตนว่าจะพูดอะไรออกมาให้มีเหตุมีผลสมกับชมาณะเพศนี่เรียกว่าการบุนดุงทั้งนั้นการกระทํำสิ่งใดถ้าขัดแย้งต่อเพศของพระแล้วยาฝืนฝืนลงไปก็เรียกว่าฝืนธทรำรฝืนพระพุทธเจ้าฝืนตนฝืนมรรคผลนิพพานฝืนสิ่งที่ตนจะพึงประสงค์เรียกว่าเป็นการฝืนไปทั้งนั้นถ้าสิ่งที่ทํานั้นเป็นของผิดแล้ว ทำมากทำน้อยฝืนไปมากไปน้อยเป็นความฝืนทั้งหมดเป็นความผิดทั้งหมดสิ่งเล็กๆะน้อยกลายเป็นของใหญ่ขึ้นมาเพราะการสั่งสมขึ้นเสมอะความดีก็เหมือนกันเมื่อเราพยายามสั่งสมเก็บเล็กผสมน้อยก็กลายเป็นต้นทุนขึ้นมาใหญ่โตเหมือนต้นไม้ต้นเล็กๆเมื่อรับการบำรุงเสมอก็ต้องกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตรับผลประโยชน์เต็มตามเรื่องของมัน การบำรุงพระการคิดพระการรักษาพระคือเราเองมนีสำคัญหรือพูดส่วนรวมการรักษาเรานีสาคัญทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นดีชั่วจะต้องเกิดขึ้นจากตัวเองเป็นผู้อำนวยการให้เกิดไม่มีสิ่งใดจะเกิดขึ้นอย่างลอยๆไม่ว่าความชั่วความดีต้องเกิดขึ้นจาก ผู้อำนวยการคือกายวาจาใจหมุนไปในทางดัทุนจะเป็นไปในทางจะเกิดขึ้นมาตามทางผิดและถูกนั้นๆซึ่งมีกายวาจาใจเป็นผู้ผิดผู้ถทำขึ้นมาการฝึกหัดอบรมจิตให้มีความเชื่องความสม่ําเสมอความสงบเย็นใจหลักธรรมท่านสอนไว้อย่างไรย่างนี้จากหลักธรรมยึดให้มั่น ตังสติจดจอ่อเราจะกําหนดทดดําบทใดก็ตามขอให้ทําจริงทุกสิ่งถ้าจริงแล้วจะไม่ปลอมน้อยก็ไม่ปลอมมากก็ไม่ปลอมสั่งสมความไม่ปลอมขึ้นเสมอเสมอจะกลายเป็นของจริงอันใหญ่โตขึ้นมาและเห็นระจับใจเพรา ะ, จะเจริญได้ทุกอย่างในเมื่อได้รับการส่งเสริมไม่ว่าทางดีทางชั่วแตพาะอย่างยิ่งคือ ก, การภาวนาท้าเราทุกคนไม่ได้ เกิดมาในตู้สมาธิไม่ได้เกิดมาในตู้ปัญญาไม่ได้เกิดมาในตู้มรรคผลนิพพานถึงพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงอุบัติขึ้นมาในตู้ศีลตู้สมาธิตู้มรรคผลนิพพานตู้พระศาสนาแต่ทําไมจึงเป็นศาสดาสอนโลกได้นะเราเป็นสิทธัตถะโคตธรรมะได้ปรากฏแก่พวกเราไม่มีอะไรสงสัยทรงประกาศสอนไว้ทุกเนี่ยทุม่ม เพียงจะ น, นำมาประพฤติปฏิบัติเหมือนกับว่าเราตักมาดื่มหรือ น, นำมารับทานเท่านั้นก็อ่อนใจทอถอยใชแล้วเราจะเอาวั ง, วงเอาฝังอมคุณนิพพานที่ไหนนี่เป็นเครื่องสอนเราขอให้นำไปคิดสอนตนเองทำจากครูบาอาจารย์ที่สอนแต่ละครั้งละหนนังเป็นธรรมทั้งดุนเล่าไปตีแผ่ให้แตกแขนงเป็นอุบายวิธีที่จะแก้ไขันเองอีกส่วนหนึ่ง จากธรรมะที่ได้รับจากท่านไปลอุบาสวิธีที่จะสอนตนเนี่ยให้พยายามคิดเราอย่างโง่กับตัวของเราให้สอนเราให้ฉลาดนี่เป็นหลักสําคัญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปรในองค์มรตมีหมายถึงอะไรทําม่หมายถึงปัญญาทันยกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโปรซึ่งเป็นองค์ปัญญา ขึ้นหน้าหรือขึ้นตนออกหน้าแล้วเทียบข้างนอกก็พอทราบได้แบบ่าคนฉล า, าดนั่นแหละเป็นหัวหน้าไม่ว่าจะหัวหนงาน้นานงานหัวหน้านแผนกหัวหน้าอะไรก็แล้วแต่เอาคนโง่ไปเป็นหัวหน้าแล้วขวางการงานทั้งหลายไม่ดําเนินเดินไปด้วความสะดวกราบรื่นแล้วเป็นผลอะไรขึ้นมาได้เท่าที่ควรเลยแต่ถ้าคนฉล า, าดดําเนินงานเนาะสำเร็จเรียบร้อย เพราะฉะนั้นในองค์มรรคแห่งหลักศาสนาจริงโยกสัมมาทิฐิสัมมาสังกปุกมีความฉล า, าดรักษาตนจะไม่ฉล า, าดในสิ่งใดก็ตามเถอะการฉล า, าดรักษาตนนี่สาคัญยิ่งเป็นนักปฏิบัติ ด, ด้วยแล้วการรักษาจิตใจนี่เป็นสิ่งสําคัญใจธาตุมีการรักษาเสมอจะปลอดภัยเหมือนอย่างสิ่งของหรือสัตว์ ที่มีเจ้าของรักษาอยู่สิ่งนั่นปลอดภัยใช้การใช้งานใช้งานได้ตามฐานะของมันต่เราถ้ามีการรักษาอยู่ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกั น, น, นควรจะพยายามเข้มแข็งต่อสมาธิคือความสงบใจใจถ้าไม่สงบแล้วอยู่ที่ไหนไม่สบายนะจะไปอยู่บนเมฆก็ไม่สบายหรือจะขึ้นบนพระจันทร์ยังเขาเที่ยว บ, บนพระจัน์ก็ไปอย่างนั้นแหละทั้งกองทุก ถ้าใจสบายแล้วอยู่ไหนก็สบายสำคัญอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามนมายาเป็นต้นธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นสาคัญทั้ง เ, เร็จและโดยใจจะดีหรือชั่วต้องสำคัญที่ใจเป็นผู้อำนวยการให้เกิดผลดีชั่วนั่นขึ้นมานเพราะฉะนั้นใจคือไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหมุนตัวอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วยังจะหมุนตัวไปในอนาคต คือจิตดวงเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงแนวทางวิธีปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องเสียตั้งแต่ปัจจุบันนี้ตายแล้วจะไปดัดแปลงไม่ได้ให้เป็นประโยชน์เราต้องดัดแปลงแก้ไขดวงเราให้ถูกทางเสียตั้งแต่บัดนี้ปัญหาของใจนี่เป็นปัญหาใหญ่โตมากจะทราบได้อย่างชาัดเจนก็คือวงปฏิบัติว่าใจเป็นยังไงเน่ นอกนั้นเราจะคาดคะเนเท่าไรก็เป็นการเดาไปทางนั้นไม่จริงผลไม่กระจัดแต่ถ้าได้ดำเนินทางอิจตภาวนาแล้วจะรู้ได้อย่างชัดเจนด้วยความสนใจของผู้ปฏิบัตินั้นๆถ้าปฏิบัติไม่แบบไม่สนใจก็อีกเหมือนกันไม่เข้าใจเรื่องของจิตนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากกว้างขวางมากจับต้นชนปลายนะผู้ปฏิบัติจับไม่ถูก เราจะเริ่มจับจุดของจิตได้ตั้งแต่จิตเริ่มเป็นสมาธิมีความสงบขึ้นมาเราจะเห็นได้ชัดว่านี่คือจุดของจิตนี่คือส่วนต่างๆแห่งร่างกายมีเริ่มจะทราบได้ตั้งแต่จิตเป็นสมาธิยิ่งเป็นสมาธิละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นจุดของจิตว่าเป็นจุดสําคัญหรือว่าเห็นจิตเป็นสําคัญในร่างนี้ได้โดยลำดับนี้มีขั้นจับจิตเบื้องตน้น ให้ทราบว่าจิตกับกายนิ่เป็นอันเดียวกันหรือไม่เพียงขั้นสมาธิก็พอทราบแล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกันที่ยิ่งถึงขั้นปัญญาปัญญาคือการแยกแยะพยายามตัดรากนั้นรากนี้รากเงาเข้ามูลอะไรแฝดตัดต่อเรืยเลยเข้าจนกระทั่งถึงรากแก้วของมัน นี่คือปัญญานะสําคัญเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะนี่มีเป็นชั้นๆเข้าไปปัญญาก็เหมือนกันในรับการอบรมเสมอสติข้อกล้าปัญญาก็รวดเร็วอาการของจิตที่แสดงออกด้วยอํานาจของสมุทยัยมีอวิชชาเป็นต้นเป็นผู้บงการบังคับออกมาอาการใดกิริยาใดสติปัญญาตามทันกัน มีความดูดดื่นเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากน้อยที่จะเป็นเหตุให้ตั้งพบตั้งชาติสติปัญญาสามารถตามรู้ถันและตัดขาดได้เป็นลำดำับๆนี่ยที่ว่าการพิสูจน์จิตว่าจิตเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวจริงไหมจิตนี่ศูนย์จริงไหมหรือไม่ศูนย์และไม่ศูนย์ ดำเนินตนไปยังไงหมุนตัวไปยังไงจึงต้องมาเกิดเป็นภพเป็นชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลอย่างนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบว่าตัวเคยเป็นมาอย่างไรบ้างจึงได้มาเป็นอย่างนี้อยู่ณปัจจุบันนี้แล้วอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่จะต้องทราบด้วยจากหลักจิตตภาวนาทราบเข้าไปเป็นตําดับปิดไม่อยู่เพราะธรรมะเป็นของจริงชี้เข้ ถึงจุของจริงปฏิบัติตามธรรมะต้องเห็นเข้าเป็น ล, ลําดักลำหนักสติก็คือความจริงอันหนึ่งปัญญาก็เป็นความจริงอันหนึ่งสมุทัยที่เป็นเชื้อให้เกิดพบเกิดชาติก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตซึ่งเป็นหลักธรรมชาติเกี่ยวข้องกับทั้งสมุทัยและมรรคก็เป็นความจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงธรรมะซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์เหล่า น, นี้ก็เป็นของจริงด้วยกันทําไมจะเข้าถึงกันไม่จริงได้หรือต้องจริงหให้ปฏิบัติ เราจะไม่ต้องไปถามใครเรื่องพบเรื่องชาติมีสมมุนอยู่ในกันทุกคนนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือตัวพบตัวชาติเกิดก็เกิดมาแล้วแก่ก็กําลังแก่ตายเล็กตายน้อยตายไปทุกวันทุกวันทุกวันผลจุดท้ายร่างกายที่เป็นส่วนผสมก็สนายตัวออกไปแล้วจิตนี้จะไปไหนเราพิสูจน์จิตให้เห็นชัดให้ทันเสียตั้งแต่บัดนี้เราจะไม่เดือดร้อนถ้าพิสูจน์จิตให้ถึงความจริงของจิตถึงความจริงของสมุทยัยถึงความจริงของมรร ถึงความจริงของนิโรธพร้อมมูลทั้งสัตว์ในสันสจจทั้งสีนี้แล้วเราจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายในสถานที่และกาลเวลาใดๆทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็เป็นความจริงสม่ําเสมอตัวสําคัญไม่ทราบดิความเป็นของตนเป็นมาอย่งไรก็ไม่ทราบท่านจึงเรียกว่าอะมิชาอะปฏิเสธนปิไปว่าแจ้งญาไปว่ารู้รู้แต่ไม่แจ้ง ผู้แกมโกงนันเองนี่เราจะกำลังจะเรียนวิชาให้ชำระความแกมโกงนี้ออกให้หมดให้เห็นแต่ของกินล้วนๆด้วยหลักสมาธิด้วยหลักของปัญญาเป็นขั้นๆเนี่การเรียนสุาขาตธรรมไม่มีทางสงสัยแล้วปฏิบัติไปเท่าไหร่รู้เห็นไปเท่าไหร่ยิ่งยอมพระพุทธเจ้า ไม่มีผู้ใดเจะเฉลียวฉลาดสามารถยิ่งกว่าพระเจ้าเพราะอันนี้เป็นเรื่องลึกลับแม้จะมีอยู่กับทุกคนก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องลึกลับสําหรับผู้ไม่รู้เรื่องของตัวเองจึงต้องอาศัยเครื่องมือคือศาสนธรรมพระเจ้ามาจรนายแก้ไขซอดซองจนเห็นช่องเห็นทางเริ่มแต่สมาธิคือความสงบใจภักจิตได้สบายเรียก<ม>ว่าใจมีเรือนมีเรือนใจมีเรือนพักสบายไม่เดือดร้อนวุ่นวาย เราสัมมาสายทั้งวันทั้งคืนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเราทำงานเรายังมีการพักแดดร้อนๆเขายังต้องข้อพักพลุม่มเวลาหิวโหวยก็ต้องต้องรับทานหลับนอนสะดวกสบายใจยไม่มีเวลาหลับนอนพักผ่อนเลยเพราะสมาธิคือเรือนใจไม่ปรากฏจึงต้องสร้างขึ้นสร้างเรือนใจคือสมาธิความสงบใจปัญญาคือความเฉลียวฉลาดรอบคอบในวิถีทางเดินของจิตคิดเรื่องอะไรบ้าง ตามให้ทันถ้าปัญญาสติปัญญาแก่รกล้าแล้วปิดไม่อยู่ตามต้องทันเป็นลาดับหนับทันตรงไหนแก้ออกแก้ออกได้เป็นขั้นขนจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือความสืบต่อของจิตระหว่างจิตกับอารมณ์ที่จะให้เกิดพบเกิดชาตไม่มีติดต่อเหลือแต่ความเบื่อสุดล้วนนั่นไม่ต้องบอกว่าจะเกิดอีกไหม เกิดเป็นภพเป็นชาติเป็นตัวชาติความเกิดชร า, าความแก่พยาครับความเจ็บไข้โรคป่วยแล้วความทุกข์ความลำบากนี้จะเอามาจากไหนสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ไม่มีทอดถอนท อ, ท อ, ทอนอหมดแล้วเหลือแต่ธรรมาชาติทำทั้งแท่งคือความมีสุขพุทธโธเด่นดวงนี่เนี่ยการปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นพิสูจน์ตัวเองให้ได้ เราเป็นนักพิสูจนถ้านักปฏิบัติพิสูจนตัวเองไม่ได้จะเอาอะไรไปสอนโลกพระพุทธเจ้าสอนโลกพระองค์พิสูจพระองค์ได้อย่างเต็มภูมิแล้วเพิสูจนตัวเราสอนเราเราต้องหาอุบายวิธีจนเห็นความจริงขึ้นมาคำว่าจิตไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันมีอะไรสิงอยู่ซึ่ง ราบอยู่ภายในจิตล้วนแน่ถึงกยาพิษที่เป็นเชื้อแห่งความเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นเต็มไปหมดทำไมใชส้สติปัญญาประเภทอัตโนมัติหรือประเภทมหาสติมหาปัญญาแล้วเข้าไม่ถึงการที่จิตจะเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นได้ต้องอาศัยการอบรมการฝึกการทรมานลำบากบ้างก็ทราบการทำงานนืน ใครก็ทราบด้วยกันไม่ว่างานทางโลกงานทางธรรมมันต้องมีการลำบากการปฏิบัติเพื่อยกตในให้พ้นจากทุกข์ลำบากเราก็อดเราก็ผลเพราะมีเหตุมีผลประจำตัวอยู่แล้วว่าทําเพื่อค้นทุกข์ความลำบากเพราะการงานเพื่อความพ้นทุกข์จึงไม่เป็นปัญหาจะมากาั้นขวางการดํานเนินของเราให้ขัดข้องหรือให้หยุดชะงักไปผู้ปฏิบัติต้องมีเหตุผลเพราะธรรมะเป็นเหตุผลล้วนถ้า ม, มีเหตุผลแล้วแย่แพ้แตะกิี้เด็ดัญหา อาสวะทุกวันทุกคื น, นหาความสุขไม่เจอถ้าลงได้แพ้แล้วไม่ว่าอะไรคำว่าแพ้ไม่เป็นของดีเลยเจ็บก็เจ็บทุกข์ก็ทุกข์เจ็บกิ จ, จอกเจ็บใจก็เจ็บคำว่าแพ้แต่เราแพ้เราวันยังําคืนยังรุ่งเราไม่คํานึ่งตั้งเลยอันนี้ไม่สมควรสําหรับผู้เป็นนักพิจารณาคือนักปฏิบัติทําอะไรให้จริงอยาละแหละ หลักของศาสนาไม่ใช่รอดแหละพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความรอดแหละสอนทำมาสอนโลกก็ไม่ได้เอาทำรอแหละมาสอนพอผู้ปฏิบัติหรือสะดับตรัพฟังตามแล้วจะเป็นคนรอแหละทางนั้นศาส น, าสนาก็สอนคนให้เหลวีวไม่ได้สอนคนให้จริงสอนก็ไม่มีความขยันหมั่นเพียรให้มีเหตุมีผลพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้มีเหตุผลเป็นพ่เลี้ยงเสมออย่าปล่อยไปตามเภอใจ ที่มีกิดเลสตัญหาสักครอบคงมอยู่ตลอดเวลาจะฉุดลากไปจนไม่มีอะไรเหลือติดตัวเราได้ยินแต่ขาพระพุเทธเจ้าตรัสรู้สาวกตรัสรู้อยู่ในที่นั้นๆการนั้นๆท่านปฏิบัติอย่างไรท่านจึงเป็นอย่างนั้นตอนนี้สําคัญข่าวของเรามันเป็นยังไงบ้างข่าวท่านมีความขยันมันเพียนมีปัญญาเฉลียวฉล า, าด ข้าวท่านอดทนไม่อ่อนแอแล้วข่าวท่านกับข่าวเราเป็นยังไงเอามาเทียบกันมันได้กันไหมถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าเรื่องจะเกิดขึ้นมานั้นจะไม่เหมือนกันข่าวท่านมีความขยันหมั่นเทียนข่าวเรามีความขี้เกียจมา่ง่า ย, ยานี่เข้ากันได้ไหมเข้าไม่ได้ถ้าท่านมีความอดทนข่าวเรามีความอ่อนแอมันอดทนมันขัดแย้งกัน ข่าวก็ขัดแย้งกันแล้วทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจะไม่ขัดแย้งกันเป็นไม่มีต้องขัดพุทธทางพรนางคชามิเราขอถึงพระพุทธเจ้านั้นมีความหมายอย่างไรบ้างพุทธทาท่านดําเนินอย่างไรเราถือท่านจถึงจิตถึงใจเราจะถือด้วยวิธีใดบ้างถือด้วยหนึ่งความเชื่อมั่นในหลักธรรมที่ท่านสอนจริงท่านดําเนินอย่างนั้นจริงรู้จริงเห็นจริงเราจะต้องปฏิบัติตัวของเราแบบนั้นฝากเป็นฝักตายด้วยข้อปฏิบัติ ือความเชือ่อความนิสัยทมังสนังกระฉามนี้ทำเป็นของจริงทำไมเราปลอมทั้งวันทั้งคืนความคิดก็ปลอมคำพูดก็ปลอมการทำทุกสิ่งทุกอย่างปลอมไม่เป็นไปตามความจริงที่ทำสอนไม่เลยอย่างนี้ก็ขัดกันคำว่าทำมังสนังกระฉามนี้ก็เป็นโมฆะทำมังสนังกระฉามนี้ทำเป็นของจริงเราต้องปฏิบัติตัวของเราให้จริงอยากทำตัวให้ปลอมคำวา่าของปลอมอะไรใช่ไม่ได้ ท, ทั้งนั้นเงินปลอมก็ใช้ไม่ได้คนปลอมก็ใช้ไม่ได้ ทุกสิงตัวอย่างถ้าลงว่าปลอมแล้วใช่ไหมได้ตัวของเราปลอมจะดีไหมนั่นวิธีสอนกนเองต้องสอนอย่างนั้นครูบาวิธีสอนตอนสังฆังสัังกฉามิท่านปฏิบัติอย่างไรที่เป็นพระสงฆ์สาวกได้กล้ามาท่านทุกวั น, นเราต้องนํามาเทียบเสมอนี้่ชื่อว่าถึงสถานะเป็นชั้นๆเข้าไปถึงอย่างนี้สุปฏิปันโนท่านปฏิบัติดีเราปฏิบัติยังไงบ้าง ดีไหมดูกายวาจาใจของเราดีไหมคิดดีไหมพูดดีไหมทําดีไหมตรงแน่ตามหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านสอนมั่งอุชุท่านสอนตรงเราอ้อมแอมไปไหนมัง่งขอเวลาเวลาจะเดินจงกรมก็ขอหน่อยพักผ่อนท่านหน่อยลงพวะบงหลวงจนตลอดสว่างนั่นมันตรงอะไรมันอ้อมหาว่ายอ้อมแอมลบปีบปีดตัวเข้าใจว่าตัวฉลาดแต่ความโง่เต็มตัว ไม่ได้ตรงตามหลักธรรมวุเจ้านี่เป็นสังขังสนงังกระฉามีอันแท้จริงได้ที่ไหนเราต้องสอนเราอย่างนี้ง่ายเนงะี้ยปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็จริงตามหลักธรรมนะง่ายเนะี้ยหรือมันปฏิบัติเพื่ออะไรท่านปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งห็นจริงเรานี่ปฏิบัติเพื่ออะไรเราต้องย้อนมาถามเราเวลานี้เราทําอะไรอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่โง่อยู่หรือฉลาดเวลานี้มีสติหรือไม่มี กำลังภาวนาอยู่นี่สติอยู่ก็ผิดหรือไม่นั่นสามีกิเมื่อการปฏิบัติสมท่านมาท่านปฏิบัติสมควรเราขนานไหนว่าสมควรความที่เกียดสมควรไหมความอ่อนแอสมควรไหมความเห็นแก่ตาแก่ท้องสมควรไหมต้องเอามาสอนเราอย่างนี้นี่เราผู้ปฏิบัติต้องเด็ดใส่สําหรับตัวเองเสมอเด็ดเพื่อดีไม่เป็นไหนต้องเผื่อไว้เสมออุบายวิธีอะไรที่มาสมควร เราต้องมาพิจา น, นะาขนาดนี้เรามีอะไรสมควรในใจเรามาันต้องมาสอนนี่เสมอสุปฏิปันอเอสาวกาโตสาวกัสั ง, ขงโขนั่นคือสาวกาของพระเจ้าที่ปฏิบัติสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปุชุปฏิบัตปปบิตรงย้งายะปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงจริงๆไม่เพื่อโลกาภิทธิ์ใดๆแต่เพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความรู้แจ้งชามิกิเป็นผู้ปฏิบัติสมควร สม่ำเสมองามต้นงามปลายนี่แหละคือสาวกฉะนั้นผลก็ปรากฏเป็นไดยังจะตายพุทธิศักดิ์อัอัตถพุทธิศดิ์อทเป็นผู้บุรุษจีเป็นบุตร บ, บุคคลแปดโซดาปฏิมาโสดาปฏิผล น, นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติสี่ประเภทนี้อุชุยานยานสายมีกี่นี่เกิดจากนี้ไม่เกิดจากที่อื่นนะโซดาปฏิมาโซดาปฏิผลก็ดีสกิทาคาารัรสกิท า, าผลก็ดีอนาคามารสอนาคาผลก็ดี อรหัตตมักอรหัตตะผลก็ดีจนกระทั่งถึงนิพพานหนึ่งอย่าเข้าใจว่าไปจากไหนต้องไปจากสุปฏิบันอุชุญาณะสามีกี่นี้ทางนั้นนี่เป็นกุญแจดอกสาคัญที่จะเปิดนระผลนิพพานขึ้นมาแกผู้ปฏิบัติตัวให้เป็นอย่างนี้นอกจากนี้แล้วไม่รับรองชาติทําให้รับรองแล้วเราจะรับรองตัวเราได้ไหมเรารับรองไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติตามทำแล้วนับรองเพราะทำนี้เป็นสมบัะิธรรมตราได้ชอบกิจ จะเป็นการสมัยผ่านไปสเท่าไหร่ก็ตามอันนี้จะไม่เคลื่อนจากความจริงเนี่ยเป็นที่รับรองมากนี่นหละคำว่าพุทธังธรรมังสังฆังสันนกระฉันต้องเข้าให้ถึงเป็นชั้นชันานะของนักปฏิบัติต้องยิ่งกว่าคารวะา ญ, ญาติโยมทั้งหลายเพราะเราเป็นผู้นำเราเป็นหัวนหน้าเราเป็นผู้สอนตัวของเราด้วยโอกาสอันดีงามเพราะ เพศของพระนี่เป็นเพศที่มีงานน้อยที่สุดโลกให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างไปไหนก็มีแต่ให้ทานความเชื่อความสงสัยไม่ต้องซื้อต้องหาที่ไหนบินธบาตรก็เต็มบาทมาสถานที่อยู่ก็เต็มไปหมดกุฏิสลาสะบงกีวอนเครื่องบริหารใา้สอยจนเหลือเฟือจนท่วมน้ำเป็นไงแต่มันมากๆ ม, มันท่วมข้าวตายไม่ข้าวอันนี้มันขนาดนั้น มันท่วมแล้วจนจะตายระวัง ไ, ไม่อดมันจนท่วมระวัง ใ, ใครก็อยากให้ทานใครก็อยากให้ทานคนอื่นเกิดความร่วมสาเราแต่เราเรื่มสาเราหรือไม่เราต้องดูอีกทีหนึงเรื่มสายตนเองด้วยขวาปฏิบัตินั้งแต่เร่วมสาเรื่มสายความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนบึกบึนความคิดความอ่านอย่าอยู่เฉยเฉยเหมือนหัวต่อใช่ไหมล่ะ การสอนตรงถ้าอุบายวิธีทันกี้เล็ดยอมกี้เล็ดกลัวอุบายวิธีไม่ทันขี้เล็ดหะะัวเราะเยาะอุบายทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อจะให้เอาชาชนะขี้เล็ดตัญหาอาสวัตและจะตัดพบตัดชาติให้น้อยลงข้ามชาติความเกิดอยากเข้าใจเป็นของดีเกิดกับทุกขึ้นมาพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาพร้อมกัน อยู่ข้างี่ประชาตัะนี่สําคัญเป็นจุดประสงค์ของศาสนานี่นำหับผู้ปฏิบัติคือนักบวชซึ่งมีหน้าที่อันเดียรโทษเจ้ามามีแก่ผู้ไม่เกิดน่นความโลกก็ไม่เกิดความโกรธก็ไม่เกิดความหลงก็ไม่เกิดความทุกข์จะเกิดมาจากไหนราคะไม่เกิดโทสะไม่เกิดภูหะไม่เกิดความทุกข์จะมาจากไหนน่ะเอาตรงนี้ภบชาติไม่เกิด พระจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีเชื้อฝังอยู่ภายในพอจะให้เป็นพบเป็นชาติต่อไปแล้วทุกชราติทุกพยาทุทกอะไรมรณะทุกมันจะมาจากไหนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกกลัวกันนักหนาความทุกข์เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายล้วทําไมต้องการอย่าเกิดนะแล้วมันไม่ขัดแย้งกันหรือเราอยากเกิดแต่เราไม่อยากทุกข์มีอย่างนี้ถ้าเรา่อยากเกิดก็ชำระให้หมดภายในจิตรู้ในภายในตัวเอง ไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วสาธุแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ตรงหน้าเรานี้ประการถ้าลงถึงความจริงแล้วจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์สําเร็จแล้วอย่างเพราะคําว่าสันติติโกนี้ได้ประกาศว่าให้แล้วทุกรูปทุกนามผู้ปฏิบัติจะทูลได้รับได้เห็นแจ้งไปจากภายในตัวเองไม่จําเป็นจะต้องเอาพระพุทธเจ้ามารับรองนั่นมีสิทธิที่เต็มที่ในสันติติโกด้วยข้อปฏิบัติที่ดีชอบของตนเองฉันขอให้ทุกท่านนำมาทนิ่ทีเนีเ้ อย่านอนใจการปฏิบัติตนถ้าอยากพ้นทุกข์อย่านอนใจแล้วให้แน่ใจว่าทำเป็นอาการที่โกไม่มีการไม่มีสมัยขอให้ปฏิบัติดีเถอะว่าครั้งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วทั้งนี้พระพุทธเจ้ายัางอยู่ไม่ต้องพูดสวัสดิ์ทำจักว์ไว้แทนศัตวดาแล้วขอให้ปฏิบัติตรงเนี่ตามหลักธรรมผลจะไม่มีการมีเวลาจะเป็นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ด้วยข้อปฏิบัติที่สมบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วกี่ปีกี่เดือนไม่สําคัญ สำคัญในที่ข้อปฏิบัติตนเองเพราะมรรคผลนิพพานมีอยู่กับข้อปฏิบัติเทียนั้นเราจะไปหาในตู้ในหีบก็มีแต่ชื่อมรรคผลนิพพานตัวมรรคผลนิพพานจริงไม่มีสมาธิไปอ่านในธัมภี์ก็เห็นแต่ชื่อปัญญาไปอ่านในหนังสือก็เห็นแต่ชื่อมรรคผลนิพพานอ่านในหนังสือก็เห็นแต่ชื่อตัวมรรคผลนิพพานจริงๆตัวสมาธิตัวศีลจริงๆตัวปัญญาจริงคืออะไรไม่ได้อยู่โน่นอยู่กับผู้ปฏิบัตินี้่ประนั้นจงสนใจ จุดนี้อย่าไปสนใจชื่อเท่าไหร่นะชื่อใครตั้งก็ได้ตั้งกี่ร้อยกี่พันชื่อก็ได้แต่จะตั้งตัวขึ้นมาให้เป็นตัวมากกว่าผลตัวสวรรค์ตัวนิพพานกี่นี้ตั้งยากล้มลุกคุกค่านดูเขาตั้งไหมตังไม่ติดนี่สาคัญตรงนี้ไอ้สนใจตรงนี้โาสนาไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องหลอกเด็กตายแล้วไปสวรรค์นู้นเนิไปนิพพานเนิ่นไม่ต้องว่าให้เห็นกับใจนี่หลันจรงชื่อว่าของจริงรากาจะได้ในบัตรนี้ในใจของเรานี้สาหรับผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติจริงให้เห็นในจิตนี้จึงเชื่อว่าเป็นของจริงจริงหน้าทั้งปัจจุบันจริงหน้าทั้งอนาคตเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องมาสอนโลกไม่ได้โกหกมาทั้งเป็นทีเดียวมาสอนโล ก, มโลกไม่ใช่นิพพานแล้วถึงมาสอนโลกนะสอนในตะวันตรัสรู้เสร็จแล้วแล้วมาสอนโลกจนกระทั่งถึงมา น, นิพพานเอาแต่ธรรของจริงล้วนๆสอนให้เห็นปัจจุบันทันตา น, นั่นเราข้าเห็นมากขนยี่ความพระพุทธเจ้ามาด้หอบผิวไปด้วยนะสาวกขี่ไปก็ไม่ได้หอบผิวไปด้วยความจริงมีอยู่กับผู้ใด ทำจริงก็มีอยู่กับผู้นั้นความปลอมีอยู่กับผู้ใดทำตรองก็มีอยู่กับผู้นั้นขึ้นอยู่กับเราเท่านั้นท่านขอให้นำมาพิจารณาการแสดงทําก็เห็นว่าสมควรเจียรติยซึ่งขอยุติอย่างธรรมนี้เอวัง